มันได้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเดวหนึ่งอาเป็นที่เรารู้จากกั น, กนลแล้วคงไม่เราได้เหอนว่าเป็นลำไรั้ยแต่ได้จะพูดตอวกันนี้เร็นวัสำคัญ ย, ยิ่งกว่าวันมันก็คือลมหายใจที่เราเห่ทุกคนไม่มีใครไม่มีลมหายใจ เมื่อไรไ้งหมดลมหายใจมันนั่งก็หมดสภาพด้นของทิ่งมีค่าที่สุดในตัวเราคือลมหายใจมันหมดแล้วหมดเลยมันไม่มีเพิ่มไม่มีเติมไม่มีคืนมันจะเคยตายมันก็ว่าตายมัเิเจ้าของเราจนร่มต้นอยาจะทุทรมาน ร่างกายหลากหลายวิธีเรียกว่าอัตกะรกรรมฐานระโยชธ์รมานทุกอย่างคนไทยวิธีคือกรองสองกับพร้าคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าอานาปานณะสติภาษาสารองง่ายๆคือ ลมหายใจจนปม่สติตรอเนื่องแล้วเกิดปัญญา่อนที่เป็นสายอันนี้นคือโดยบทสรุปทั้งหมดเพราะฉะนั้นลมหายใจของเราเรามาฝึกหายใจก่อนให้รู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกว่าหายใจอย่างไรถึงจะสบายเริ่มต้นจากหายใจสั้น เรหายใจเข้าสั้นหายใจอ ok อกสั้นเราฝึกดูมันสบายไนะัมสงองก ok ok ok ็หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวเข้าออกยาวจนสุดมันสบายไหมหายใจออกสั้นหายใจออกยาวหายใจออกยาว ไอ้อกสั่งยังไงพี่เลขางันที่ตั้งขอเราหายใจคือปลายจมูกดูจมต้นจะมันกระทบคือปลายจมูกคือเลื่อที่ปากแล้วเลือนที่ปากเข้าไปมันเข้าสั้นเข้ายาวก็รู้เข้าเสร็จแล้วท้องมันป่องมันป่องก็รู้มันยุบลองรู้ว่าตอนมันป่องมันเข้าแล้วมันออก เาหจะเข้ามันก็จะปองหจะออกมันก็จะยุคมันเข้าครั้งแรกไปจะบวกจะเริมต้นไปที่นาพาการกำมองลงมาลำคอคอ ห, หอยเลี้ยปีแล้วก็ทองมันกระบวนการการเข้าออกของมันทีนี้ ถ้าเราเราคุณดลมสั้นยาวดังกล่าวข้างคนให้มันเร็วให้มันซั้นหรืให้สบายไม่ต้องเป็นเพ่ลงลมหายใจใช้ได้ทุกีกเวาเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้หรือนอนก็ได้การคุณดลมหายใจอย่างนี้ การใ น, นสองก็มันก็คือเราสามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ในเบื่องต้นสองก็รู้เท่าทันสามคืออยู่เหนือเรื่งนี้เราสามารถควบคุมกํากับได้และนั่นคือประโยชน์คนจะควบคุมกํากับความคิดตัวเองได้น่ะประโยชน์ปัญนยาว โ, กกโดยสองเนะร็วสามาธิทั่งแรกคือสามันสํานึกทั่วไป ทำไมต้อดูลมหายใจก็เพราะว่าลมหายใจประโยชน์หรือว่าองสระเริ่มต้นอันนี้คือทั่วๆไปประโยชน์ของกา ร, รดูลมหายใจหรือควบคุมลมหายใจได้มันเท่ากับควบคุมการเต้นของหัวใจของผู้นได้ตาหัวใจของเราเต้นช้าลงเลือดระบบหมวนเวียนของเลือด แต่ถ้าลงอายุการใช้งานมันก็จะมากขึ้ น, นคืออายุยืนโดยง่ายเปนเครืนจนคนไกลแต่ถ้ามันเร็วหาเจอเร็วแบ บ, บบแบบอายุการใช้งานมันก็จะน้อยนี่ก็ อ, อันหนึ่งนั่นถ้าใครสามารถกลับควบคุมลมหายใจต่อไปได้คนนั้นจะมีอายุยืนและที่สำคัญก็มันไม่เครียด คือมันไม่ตึงเราสังเกตว่าถ้าเราสามารถควบคุมอารมตัวเองได้เนี่ยหน้าผาของเราจากทีกมันคือตึงมันื็จะมันจะคลายก็แปลว่าทำให้แกชาาลงไม่ได้แปลว่ามันไม่แก่แกแต่มันก็จะชาะ้าลงนี่คือไอ้สองแต่ที่สำคันคือโรคภายไข้เจ็บที่มีอยู่ระบบหายใจออกซิเจน มันก็จะดีขึ้นระบบมุนเวีทุกอย่างมันก็จะปกตินี่คืออนันทสองนั่นคือสิ่งมาติจันที่พระเจ้าสองคนพบแล้วก็ลงอุปฏิบัติจนได้รับอันที่สอนี่คืออานาปานาสติคือลมหายใจสติคือปัญญาที่ตั้งขออานาปานาสติคืออะไรเมื่อจิตมันสงบได้ที่แล้วมันเป็นกลาง คำจิตนั่นเป็นกลางก่อนทำจตนั่นเป็นกลางคือมันไม่อยู่กับสุขไม่อยู่กับทุกข์คือไม่ยินดีสขุขก็มามันก็รู้ทุกข์ก็มามันก็รู้และอุปเบกขาคือวางหยุดต้องอุปเบกขาได้ก่อนหรืจะวางอารมณ์ได้ก่อนจะยกขึ้นมาพิจารณาได้พิจารณาอะไรก็พิจารณากายนี่คือที่ตั้งงของสติเราจึงเรียกว่าสติปัฏฐานหรือฐานที่ตั้งของสติ เพื่อให้มันเกิดสุดท้ายปลายทางคือปัญญาไม่ใช่แค่ไดนคับสัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาวุวยเปัญญาคือรู้แจ้งจริ ง, รงตามความเป็นจริงในรูปในนามในขันทสีกันห้าอันนี้ยกขึ้นมาเาป็นอวัยวกายเมื่อจิตมาหนึ่งแล้วกายเนี่ยมีกายยากายอะ้อย่าง กายหยาบเป็นยังไงกายาบก็คือดินน้ำไฟลมไม่รู้ดินน้ำไฟโดนที่มันอยู่ในตัวเราเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าอันนี้คือดินนี่คือไฟอ น, นี่คือน้ำลมเพรสุดท้ายปลายทางก็คือเขาก็ต้องแยกย้ายกันไปโดยเฉพาะตัวสุดท้ายคือลมถ้ามม่มีหรือมีน้อยหรือหมดเลยสามตัวสี่ตัวเขาก็อยู่ในด้ ไปถารัฐประชากบไปสู่สภาวะเดียของเขาอันนี้คือกายภยาพนี่มรูปแต่มันมีรูปละเอียดข้างในเรียกว่ากายในกายมีรูปละเอียดจึงจิตมาอาศัยเกาะไปต่อมันเหลือสี่ตัวเราจะมีขันห้าขันสี่ขันหนึ่งซึ่งเราจะไมปต้องเรียนรู้ว่าขันห้าคืออะไรขันสี่คืออะไร ขันหนึ่งคืออะไระยกขึ้นมาพี่เจ้นาน้างหรือขันสี่เมื่อเสรหรือขันสี่แล้วก็แล้แค่สวยเขาเรียกว่าสวยแต่มาก็ต้องอาศัยรูปอยู่รูปที่เป็นว่ากายในกายนั่นเองเรีย ว, ยนะ ร, ยวรูปราะเอียดมันทําอะไรไม่ได้ทําบุญทำบาปไม่ได้เหมือนพวกเราตรงนี้ก็ขันสี่เพือไปสเสวยอย่างเดียวมากขว่า มันนึกอะไรขึ้นมามันก็สําเร็จเช่นอยากกินอยากบริโภคอยากอะไรนึกขึ้นมาแค่นึกมันก็สําเร็จแล้วอะไรอย่งางเงี้ยเก่งอยากินข้าวเมื่คั น, นึกขึ้นมามันก็อิ่มละทำไมเหมือนกับพวกเราอะเขาอยู่ได้อย่างนั้นอยู่ความเพลินไปวันวันเรียกว่าวัจัทวัารแต่ว่าเขาโชคดีตรงที่ว่าดีกว่าพวกเราก็คือ เขามีเทวธรรมคือมีความเฉลี่ยุตตปะมีความเกลนงกตตบามในคุณธรรมของเขาเป็นข้อเดียวของเขาเป็นคุณสมบัติของเขาเครื่องมนุษย์เราก็เคยได้ขออ้อนี้เร่องมีเฉลี่ยวุตตปะอันนี้คือพูดที่อยู่กับขันสี่ขันหนึ่งขันหนึ่งก็เช่นเดียวกันอยู่กับลมยกอบรูปฌานตัว อันนี้แค่รู้กายพิจรารณาให้เห็นความเป็นจริงทั้งหมดดูความเป็นจรงเวทนาเวทนาก็คือชอบไม่ชอบเฉยเฉยคือสุขทุกข์และวก็เฉยเฉยนั่นเองต้องขอยใจทั้งสองอย่างสามอย่างผู้เรียนรู้ผู้อยู่ประมันให้ได้ว่ามันเกิดขึ้นมันกระทบมันผัสสะเพราะเวทนานั้นเกิดจากผัสสะเกิดแต่มันกระทบมันจะมีเวทนาเกิดขึ้น มีธรรมารมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบส่วนใหญ่เราก็จะเอาสิ่งที่มันชอบคือสุขคือสบายชอบสบายตัวที่ไม่สบายไม่ชอบเพราะปัญญานันไม่เกิดถ้าสติเราพร้อมเรามีอยู่ก็พิจารณารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ก็วางด้วยความเป็นกลางนั่นก็คือเวทนาที่เกิดจะกนั้นกสัญญาสังขารวิญญาณมั น, น, นเป็นขั้นตอนเรียนรู้ จริงๆแล้วมันไม่ได้แยกถ้ามันเกิดขึ้นแล้วในขณะจิตเทียวกันมันจะเข้าใจมันไม่ได้แยกว่านี่คือรูปนี่คือน้ำนี่คือศินนี่คือสมาธินี่คือปัญญามันจะรู้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยเร็วเพราะฉนั้นอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงจากการพิจา้องการให้มีอารมณ์ที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าใจรักคือสามัญจะสามารถประสบไดเหมือนกัน แต่รักคือลักษณะสอย่างคือการเกิดขึ้นือการปรากฏตัวของมันการดำรงอยู่และการดับไปของมันถ้าเราเข้าใจกระบวนการสามอย่างถ้าใครทำได้รู้เท่าทันเร็วาาหมต้องถามบัดว่ารู้กระบวนการการเกิดการดำรงอยู่และการดับไปของมันนี่คือการตัดวัตฏะสงสารดิวว แตมันก็จะวนอยู่อย่างนี้แม้แต่ความคิดของเราก็เช่นเดียวกันวัตตะง่ายๆก็คือความคิดนี่ก็คือวัตตะมันวนไปวนมาเหมือนเรากินเราบริโภคมันไม่มีอะไรใหม่ในเรื่องเดิมวนกันไปเวียนกันมาเดี๋ยวก็กินกับกินแกงอันนั้นอันนี้วนไปเวียนมาอย่างนี้มันก็นี่คือวัตตะเะครความคิดของเราก็เช่นเดียวกัน มันวนไปเวียนมาจนได้อวัตตะอยากอวัตตะสงสารมันไม่เกี่ยวกับพวกชาติคนะปัจจุบันนี่แหละวตตะมันเกิดทุกวันมันวนมันเวียนทุกวันแต่เราไม่รู้ไม่รู้คือไม่มีสติเพราะนั้นครัว่ามีสติคือเราไม่รู้ตัวเพราะนั้นการฝึกเบื้องต้นคือต้องการให้เรารู้ตัวจนเกิดตัวรู้พูดอยู่เสนอ ส, สองคำเลยสาคัญมาก การรู้ตัวเนะี่ยคือดึงสติกข้ามาหาตัวเองรู้ที่ตัวแล้วก็รู้ทั่วเรียสัพพัญญะเรรู้ทั่วก่อนนค่อยกําหนดได้คือให้สติอยู่กับตัวก่อนให้สติอยู่ในบ้านก่อนเมื่อเราอยู่ในบ้านสติเข้าบ้านก่อนซึ่งปกติแล้วออกไปเที่ยวเที่ยวนอกบ้านคือนอกกายมันเจอไปเที่ยวไปเรื่อยมันไม่อยู่ในบ้านกายคือกาตัวเราแหละ เพราะฉะนั้นเรื่องนี่เป็นเรื่องสําคัญจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าใครยังฝึกไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้เราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้เพระนั้นเบื้องต้นลมหายใจจะเป็นจุดเริ่มต้นลมหายใจฝึกอย่างนี้ไปก่อนให้หายใจให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติให้หายใจช้าลงหัวใจมันจะเต้นช้าลงนั่นคือประโยชน์ง่ายๆหลังจากนั้นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็น ถ้าสติสาาตัมปชญญะเกิดขึ้นมันจะปรากฏขึ้นมาเองโดยธรรมชาติจ น, นนินดๆว่าจะเป็นในอกุกกาบนต น, นิดก็ตามปฏิภาณนิิตก็ตามมันจะรู้แจ้งเกิดในโดนปวงชาติเราค่อยพิจารณานั่นคือรูปละเอียดที่ทําให้เราพิจารณาให้รู้แ จ, จ, จ, จ้ ง, งจริงตามความเป็จริงไดน้นิดๆก็เช่นเดียวกันหลักการอันเดียวกันถ้าเกิดขึ้นแล้วเราต้องตั้งสติเอาเสมอว่า มันก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปเพื่อที่จะไมาให้ติดในนิมิตนั้นๆันล้วก็จะกลายเป็นติดนิมิตอีกทุกนิมิตไว่าในนิมิตที่เป็นรูปในิมิตทีเป็นเสียงนิมิตที่เป็นกลิ่นชื่อวันมาทั้นี้ได้ทั้งหมดเป็นได้ทั้งหมดเราก็จะติดในสิ่งเหล่านั้นนิมิตเกิดขึ้นก็ตามให้อยู่ในอารมณ์เดียวกันคืออารมณ์ของเวทนาคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ถ้าเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับเนี่ยอันตรายมันจะกายอากลายเป็นวิปรายหัือกรสนูมันไม่เป็นวิปัสนาหลายคนจะติดจนกลายเป็นวิปัสโนวิปัสนูที่เรื่อมันไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนาไปว่าทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยแล้วก็อวางได้ด้วยที่เรียกวิปัสนาไม่ได้เห็นอย่างเดียวเช่นเห็นนิด ไม่ใช่รู้อย่างเดียวเช่นรู้อันคืออะไรทั้งรู้ทั้งเห็นแล้วก็วางอารมณ์นั้นๆได้เร็วที่สุดเท่าจะเร็วได้เป็นปุ๊บวางได้ทันทีว่าจะเป็นสุขสุขเฉยๆหรือรูปร่างอื่นๆก็ตามอย่างนี้ปัญญามันเกิดแล้วมันจะวางได้าอนแล้วจิตของเราก็จะไปได้เร็วปัญญาของเราก็จะไปได้เร็วตรงไหนที่มันผ่านการพิจารณาผ่านการเห็นผ่านการเรียนรู้ผ่านการปล่อยวางแล้ว เราจะเข้าใจแต่ทีมันจะไม่ติดไม่คล่องจ็บมันก็จะไปแต่เร็วแจิตอาไรจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้และไม่เคยวางมันได้มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเจ็ดมันก็จะคลาไปไหนไปได้เพราะเราก็เคยยกขึ้นมาพิจารณ์การรูปร่างกายสังขารธาตสี่กันห้าอะไรจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันจะเป็นภาระที่พวกเราทุกคนจะต้องยกขึ้นมาพิจารณามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ในการเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ก็คือยิ่งใหญ่ของเรื่องของการเกิดแก่ดจะตายในงั้นกระบวนการเกิดแก่ดจบตายเขาคือเป็นไปตธรรมชาติของเขามนการยกวเว้นไปตามขั้นตอนของเขาเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือตายโดยที่เราคกำหนดอะไรไม่ได้แม้แต่ลมหายใจอันตรายเลยกำหนดลมหายใจไม่ได้กระผมลมหายใจมันอ่อนก็ยากมันน้อยก็ทุรนทุราย ถ้าเรานดลดลมหายใจไม่ได้ดึงอันตราย่าถ้าเราพดลมหายใจได้ก็ปล่อยโดยสะบอว่าของเขามีสติรู้อยู่นี่เป็นประโยชน์อย่างยิียแต่ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกคนที่มีมีสติหรือมีสตีตาวยกลายเป็นความวุ่ตกกังวลเวทนาตัวที่สองตัวแรกคือรูปรู้เวทนาถ้ามันมาเยือนร่างกายเราจะทนไม่ได้โดนมันดืดทั้น คำว่าทนไม่ได้คือจิตมันจะอยู่ร่างกายก็เลยไม่ได้มันจะต้องดีดออกมันจะต้องกอกจากร่างก็เหลือแต่สี่ตัวคือดีนัง่งไปลงมันหมดทุกอย่างเไปแล้วแต่จิตมันไม่ตายมันยังไปต่อแล้วก็ไปหาที่เกาะหาที่พึ่งทิฏฐิทิฏฐิจิตทิฏฐิวิญญาณมันหาที่ตั้งใหม่โดยอาศัยรูปมเป็นรูปละเ อ, อยียดนั่นแหละไปต่อ แต่ตัวเนี้ยถ้าเสี่กันห้าเนี้ยมันก็โดยธรรมชาติของเขาใครจะเอาไปฝังใครจะไปเผาก็ไม่เกี่ยวมันไม่รับรู้อะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันสอนเราทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนกลางวันเราสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่นามากที่สุดพท่ที่จะได้ส่วนกลางคืนทั้งหมดโอกาสที่เรียนรู้เมื่อสติไม่อยู่กับตัว ส ต, ติไม่อยู่กับตัวก็หมายควาว่าเวลาเรานองหลับมันก็เหลือแค่สี่ตัวที่เราใช้อยู่ส่วนที่ตาหูจ ม, มูกปากร่างกายแขนขาตาจ ม, ม, มูกใช้ไม่ได้ซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับตายคนตาย อ, สานะอยสบาะนั่นเพียงแต่ตา่างกันที่วา่ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหายใจเข้าไม่รู้จะหายใจออกความัวหะมาติดปังเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ พยายามฝึกตัวเองให้มีสติอยู่กับลมหายใจจนเกิดปัญญาเพื่อเรียนรู้ถ้าเสกกันห้านี้ให้มันมากไปสุดเท่าที่มากได้เขากเรียนรู้ท่านี้ก็คือเพื่อจะให้ปลาทางคือการละทอดลอยวางในบรรทุ น, นใครจะทําได้มากใครทําได้น้อยแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคนสติปัญญาของเรามีบางอย่สติปัญญาด้วยการบุกปฏิบัติ เราได้รับผลในการปฏิบัติมากน้อยกราดไหนผลในการปฏิบัติอยู่ที่เกิดความเพียรของผู้เราน่ยมันเทีมากเทีน้อยต่อเนื่องหรือไม่งา น, น, นเองแต่ถ้ามันไม่ต่อเนื่องก็เหมือนเดิมมันก็ได้แค่นั้นแด้น้อยได้มากแต่มันก็ไดวาสนาที่ใส่บาลามีมันยังมีบาลามีอยู่ยังมีลุศัยอยู่ก็ยังดีคหมายก็ว่าถ้ายังไม่หมดไม่พ้น ถ้าศแล้วคฆ่าเร า, าบบริบูรณ์ก็จะไปต่อต่อชีวิตต่ออนาคตทำพูเราได้สำหรับคนที่ศิล ส, สักตัวก็ไม่มีอะรโอละมงจิตที่ไม่เคยรู้จักการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลสมาธิรหรือปัญญาใดๆเลยจิตมันจะไหลไปไหนเราลองนึกดูดิช่างมาวงัวกไก่โมากาไก่ เหมือนพวกเราไหมมีท่าสี่กันห้าเหมือนพวกเราไหมเหมือนกันหมดมันทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้เนี่ยจะเอาซินทรัลตัวก็ไม่ได้อันตรายเมื่อกิตของเราต่าขนาดนั้นเนี่ยอันตรายมันก็จะไหลแต่โดยเฉพาะกิจกำลังจะออกจากรางมันทุรนทุรายกําหนดอะไรไม่ได้ปล่อยไม่ได้คือตัดใจไม่ได้วางใจไม่ได้ยังมีตกกังวลห่วงสารพัดห่วง คืไม่ห่วงตัวเองกลับไปห่วงสิ่งอื่นอะไรก็ไม่รู้ความทีนแล้นไม่เคยฝึกไมเคยหัดไม่เคยคิดเอาไว้ก่อนมันอันตรายอันตรายมากๆากทีอันตรายธรรมดาโดยเฉพาะคือลมหายใจเป็นเรื่องสําคัญมากๆบางคนรอดก็ลมหายใจก็ฝึกลมหายใจหายใจถ้าหายใจหยาบกลางไว้ละเอียดหายใจแบบหยาบไม่ได้ก็หายใจแบบกลางกลางหายใจแ้บละเอียดคือชนิดหนึ่ง ก็ขอให้มีลมเลี้ยงร่างกายมันก็อยู่ได้แต่คนที่ไม่เคยฝึกเลยไม่ได้ไม่เป็นเพะฉะนั้นในขณะที่ร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่สามารถทําได้ฝึกได้ขอให้พเราพยายามฝึกทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ฝึกดูลมหายใจจนเกินสติเนเกิดปัญญาให้เรารู้ในสิ่งที่เราไมาเ่เคยรู้ก็คือสิ่งที่มันเจ็หยาบที่เรามีอยู่นี่แะ มันไม่ใช่สิ่งอื่นไป ค, คือรู้ตัวเองอเรว่ารู้ตัวรู้ตัวเองรู้ตัวจึงเกิดตัวรู้คือคําว่าผู้โถพูโทพโถจึงแปลว่าผูร้รู้คืมีผู้รู้ขึ้นมาคือมีครูบาอาจารย์ขึ้นมาเปป็นระสอนเอกผู้ตื่นจากที่มันหลับมันเคยรู้อย่างรู้แล้วตื่นขึ้นมาเมื่อเราหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาจิตใ จ, จ, จมันก็เชื่อมชื่นเบิกบานมันแล้วมีความไม่ตกวคงตนมันไม่กลัวตายคือตายเมื่อไหร่ก็ได้ มันจะไม่ได้มีเกี่ยงหรือความตายพร้อมที่จะอยู่พร้อมที่จะไปพอเจ็ดเราฝึกมันคงแข็งแรงขนาดนั้นแล้วจะได้อา น, นิสงส์คู้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันต้นแบบบรรตัวอย่างของของพระพุทธเจ้าที่วางหลักการเอาไว้เพื่อเผยแพรศ่ศาสนาธรรมจนโยมาทั้งสองพันกว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้น เจ็ดของพวกเราลองโอปนาจโกน้อมก็ไปเช่นเดียวกันสองพันกว่ปีมานี้เจ็ดของเราเนี้ยเอือนไหวต่างเกิดเป็นมาสารพัดแต่เราไม่มีธรรมสังเวชคือไม่ได้เกิดธรรมสังเวชขึ้นมามันจะไม่เกิดประโยชน์ไม่มีธรรมะสังเวชขึ้นมาคือนิพิทานความเบื่อหน่ายมันก็ไม่มีไม่เช่นั้นนิพิทาไม่มีวิราคะคือปัจจัยสิ่งราคานะนั้นมันม่มี ราคาจะเป็นตัวเรียงวิราโคเสถ陀ทางมณังวิราคาเนี่เป็นทำอันประเสริฐเป็นทำอันยิ่งใหญ่ถ้าเกิดขึ้นกับใครวิราโคเสถ陀ทรรางมณังวิราคามันก็มกักจะจะดับสิ่งเรานี้ได้อย่างเดียวนี้ภาณนะคือดับเมื่อมันไม่มดับเกราะเป็นอยู่อย่างนีประบวนการเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงบอกว่าเริ่มต้นจากมีชีวิตมีชีวิตก็ ค, คือเกิดอันเนี่น เกิดมาจากพบภวะหรือพบพบก็เป็นชาตะคือเกิดก่อนที่จะเกิดมาเนี่มาจากพบคือกามอบพบรูปอพบอ า, อาพบเพราะนั้นกดเราตาไปก็จะไปอย่างนะั้นคือไปที่กามอบพบ ถ, ถ้าติดมันยังติดอยู่ในกามตต่ที่รูปอบพบที่อาศัยรูปอยู่ที่รูปอยู่อะรูปอบพบคือพรมเกิดไม่อยู่รูปมันมีที่ไปอยู่ ถ้าไม่กรรมเราพเาพราะอรู้เขราะอรู้ก็คืที่ไปของเขาแล้วก็มาชาตาขึ้นมาเกิด ม, มาอะไรมันก็วนวเวียนอยู่อย่างนี้นมีชาตาิเกิดขึ้นแล้วเราก็เรียกว่ามีชีวิตะเริ่มมีชีวิตเสร็จแล้วเราไม่เข้าใจชีวิตคือใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าไม่เข้าใจว่าชีวิ ต, ตเกิดมาทําไมเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเพื่อตายรู้ยังไงแล้วเกิดมาเพื่อตายก็ไม่ต้องทําอะไร จะไปเพิ่มความดีอะไรแต่จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเมื่มอะไรติดมาให้ติดมือกลับไปอันตรายคำว่าชีวิตนี่ต้องใช้ให้มันคุ้มเมื่อเราได้ชีวิตกลับมาแล้วถือโชคดีชีวิตของเราดีกว่าสปปรรพสัตว์ทั้งหลายหมายคุ้มค่าแค่ไหชีวิตที่สําคัญคือเราสิ่งมีชีวิตเยอะในโลกของมนุษย์แต่ที่มีจิตอย่างพวกเราที่สมบูรณ์มันมีน้อยและสําคัญคือจิตที่รับการฝึก มันมีน้อยผมไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกจิตของตัวเองเลยก็ไม่รู้จักวิวิจิตเมื่อไม่เคยฝึกจิตก็คือไปตามการกระทําไปตามความคิดไปตามการพูดไปตามการกระทําของตัวเองนี่เรียกว่ากลางคือไม่สามารถควบคุมกํากัดดูแลไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบไม่รู้ชั่วไม่รู้ดีก็อยู่ไปวันวันก็มีเยอะโรคเรื้อรังมีเยอะคนเลวคนมีเยอะ เนมีชีวิตเหมือนพวกเราเหมือนกันมีจิตเหมือนกันมีการกระทำเหมือนกันแต่แต่กางกันที่การกระทำมีชีวิตมีจิตมีกรรมต้องมีผลคืออานิสงส์การกระทำโต้นกันกระทำคิดดีผลมันก็ดีคิดไม่ดีผลมันก็ไม่ดีคาพูดพูดดีผลมันก็ดีพูดไม่ดีผลมันก็ไม่ดีการกระทำก็เช่นเดกันเราจึงเรียกว่ากรรมการกราเนี่ยคืออานิสงส์ เประนั้นถ้าเกิดอย่างนี้แล้วไม่มีธรรมะคอยกํากับดูแลหรเรื่องของความคิดคําพูดการกระทำคือเคยไม่เคยปฏิบัติเลยไม่รู้เรื่องกอรธรรมะเลยมันก็ได้แค่มีชีวิตมีจิตอยู่ในร่างแล้วมีการกระทําเท่านั้นโดยทั่วไปก็มีแค่นี้แต่คนที่เป็นมิธรรมะแล้วเกิดปัญญาธรรมะนี่ต้องเป็นธรรมะสังเวช ตอนทภาสแสแรกเกิดขึ้นในทุกเรื่องมันถึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาล้วในพิธาความเบื่อหน่ายในรูปร่างกายธาตุ ส, สี่ขันธ์ห้าเบื่อหน่ายคือธาตุนาฏสี่ขันธ์ห้ น, นี้โอเราครองธาตุ ส, สี่ขันธ์้านี้เป็นรู้กีปภิชาติแล้วเอาแค่พอสอที่เรารู้เราจํามาแค่สองพันปีมาแล้วยึดพายตาเกิดเป็นมาไม่รู้สารพัดเป็นจนจำไม่ได้เป็นอะไรมาบ้างสองพัน ป, ปีมาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นคนชจริญเป็นสัตว์ อันนี้ตัวอย่างที่ยืนยันชัดเจนอะ่ะแม้แต่พระพุทธองค์ของเราก็เช่นเดียวกันกว่าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นมาสารพัดม่ธรรมดาแล้วพวกเราจะเป็นเหลืออะไรเพราะฉะนั้นถ้ า, ายังบูรณาสมาธในชีนวิตในวัยโอ้มันไม่เป็นไรง่ายๆไม่ตายง่ายโอ้อย่างชีวิเราไมาเกินร้อยปี เ, ปเกินขึ้นกว่าจะเกินร้อยปีน้อยน้อยมากๆ เันชีวิตที่เราเหลืออยู่นะก็ใช้ชีวิตแต่มันคุ้มค่าใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์อย่าเป็นโมไปหมาถ้าไม่อย่างนั้นเวลาก็สิ้นไปเปล่าๆชีวิตก็หมดไปเปล่าๆก็จะไม่ได้อะไรเลยเหลือแต่เขาพิจารณาการทําและการเพราะนันกัรกระทามของเราเรียกว่ากรรมผลของกรรมนั้นๆเวลาก็ไปเสวยไปเสวยตามกรรมนั้นๆก่อนตัวเองอย่างที่เราสวดนั่นแหะมีกรรมในความตัวเองมีกรรมเป็นขยะ อันนั้นคือมรดกตกทอดที่เราจะต้องได้รับเราก็เป็นทายาทที่รับกรรมนั้นนั้นเพราะนั้นก็าเราทุกคนให้รีบให้เร่งภาวนาคือให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นให้มันดีขึ้นกว่าเก่าภาวนาหมาเแปลวให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นในทุกอริยบทมาทําได้แม้แต่ยืนเดินนั่งหรือนอนให้มีสติจนเกิดปัญญาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เข้าลักษณะของการใจหลัก ตัวอย่างเกิดขึ้นทำไร่ปัจจัยละพิจารณาให้เป็นใจละอันนี้จบเร็วถ้าใครพิจารณาอนี้ได้คือมีสติปัญญาเกิดขึ้นเร็วแสดงว่าเราเห็นการเกิดและการดับของสรรพสิ่งธรรมะแม้แต่ความคิดเราเช่นเดียวกันมันเกิดเร็วๆคือควบคุมตัวเองได้เกิดเร็วดับเร็วเกิดเร็วดับเร็วเนี่ยสุดท้ายก็ดูการเกิดและการดับของเทาเ็เรื่องปกติเรื่องธรรมดาของเขามันเกิดแล้วมันก็ดับ มันเร็วจะปัญญามันจะแหลมขึ้นือขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะรู้เท่าทันเร็ว่ารู้ยิ่งเห็นจริงตามความจริงแล้วก็ว่างรู้นะนี่จิตมันจะเจริญขึ้นขนาดนี้นแล้วมันอยู่สบายมันอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ออืคือสามารถอยู่กับเหนือสิ่งเหล่านี้ได้มันไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เหมือนกับอารมณ์ของอุปจารสมาธิหรืออัปนาสมาธิอุปจารสมาธินั่นทําให้เกิดปัญญา มันรับรู้ได้เกิดปัญญาแต่อัปปนาสมาธิมันไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่เกิดปัญญาเหมือนคนนอนหลับใครที่เกิดปัญญาในขณะนอนหลับไม่มีจิตก็เหมือนกันเป็นอัปนาสมาธิแต่โชคดีที่มันได้พักเหมือนคนเรานอนหลับร่างกายมันก็ได้พักแล้วก็ได้กํำลังอัปปนาสมธิก็เช่นเดียวกันจิตมันได้พักเต็มที่ลงลึกประทอนขึ้นมาอยู่ประสาทก็พิจารณา ส่วนไหนผู้ความละถอนปล่อยวางในร่างกายสักกี่คร้งอันนี้เรเาก็จะสกิรยติพิจารณาความมีความเป็นของกายนี้ว่าตรงไหนที่เป็นของของเราของของเราจริงไหมของเข้าเป็นของของเราเราควบคุมกํากับมันดูแลมันได้ไหมมันก็ไม่ได้แล้วต้นไหนที่เป็นของของเรามันไม่ใช่แสดงว่าเราเข้าใจผิดนี่เหี๋ยมันจะฉาทิชชู การเข้าใจในดี่ว่าเอร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเราเป็นเจ้าของมันไม่ใช่นั่นคือสักกายวิธีก็เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออมันไม่ใช่เราเข้าใจพิดมานากรูปร่างกายนี้มันแค่ดิหน้าไฟลมมันไม่ใช่ของของเราคนอื่นก็ใช่นเดียกันมันเป็นของเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนอื่นเราก็ไม่คนจะไปยึดไปถือแม้แต่ตัวเราเองเช่นเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของเข้าใจในถูกต้องเรียกวิสัมมาทิช ถ้ามีลาเป็นกำลังของสติปัญญามากขึ้นก็เป็นไปด้วยความละทอนปล่อยวางมากขึ้นเช่นเดียวกันก็จะถือวิจิกิจฉาความลองเล่ยสงสั ย, ยต่างๆอาอจะเป็นพัลลาตะต่างความมั่นคงในมรดกไรมากขึ้นไม่อะไรที่มันทําสังกัดวันไห ว, ก, วกิจแจกของเรื่องครัเป็นเด้งเบียนไปทางอื่นได้ความมั่นคงภายในใะแม้ชีวิตเป็นที่ตั้งอืม ก, ก็จะถือสิจิกะเสียแต่ประมาทความเชื่อทั้งหลายเหล่ยที่มีอยู่ สาลพัดเขาเชื่อตั้งแต่โบราณหรือเขาเชื่อนในยุคนี้สบายอื่นกลมันไม่มีนอกจากพระธาตุนาตรเท่านั้นเป็นนหรือเป็นหลักอะไรมันคงอันนี้คือบันไดขั้นแรกเป็นบันไดขั้นแรกถ้าเราไม่ฝึกไปยกขึ้นมาพิจารณาเลยไม่มีทางเข้าใจสิมันี้มันก็เรื่องระางไกลเข้าไปอีกอันนี้คือคือกิดเบื้องตน้นหลังจากนั้นบันไดขึ้นแรกมาไปเข้าจะเป็นเองโดยธรรมชาติ ขอให้เราเดินดำเนินตั้มมัจคือสินรธรรมทิปัญญาให้เข้าใจโดยละเอีย ด, ดวย่าอันนี้คือหัวใจถ้าใครทําอย่างนี้คก็ต้องมีหัวใจหัวใจก็คือสินรธรรมทิปัญญาแล้วก็นี่คือหัวใจของพวาพุทธศาสนาถ้าจิตของเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราก็เท่ากับเราไม่มีหัวใจคนที่ไม่มีหัวใจจะเป็นยังไงมันก็ไม่ชีวิตอยู่กันได้ เพะันเสียงเลยจึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาศาสนาจะตั้งอยู่ได้อยู่ยืนยาวนานก็เพราะสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันถ้าพวกเราทุกคนมั่นคงในพระ ต, ตรัสรู้เข้าใจเรืองศีลสมาธิปัญญาแม้ในทางปริยัติหรือในทางปฏิบัติส่วนทางปฏิบัติไม่ต้องเป็นห่วงเหมือนตอนนี้เรานั่งเมื่อไหร่เป็นศีลทันทีคือรักษากาวิญาณได้เป็นสมาธิทันทีคือตั้งใจจดจ่อฟังเกิดปัญญาพิจารกน้อยตาม เห็นตามความเป็นปจริงว่าโอนี่ความจริงใครพูดโคตจะเป็นอย่างนี้ปลาเล็กเมียน้อยพระเต็มนเนียนชีคละวัดอยา่นเน า, ายเดี๋วพูดมันก็เป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นความจริงมังนนี้ก็เสื่เหล่านี้ไปไม่ได้เนี่ยนี่เราเข้าใจนั่นเราก็ยอมรับตั้งความเป็นจริงอย่างนี้ปัญญาเข้าก็จะเจริญขึ้นการยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนในเราในเขาหรือผู้อื่นก็นตามมันก็จะน้อยลงนีเรียกว่าเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นอยู่เข้าใจความเป็นจริง ในตัวตนของเราอย่างนั้นมันก็จาคันผิดบรรทัหมาย